วิสัชนาธรรมถวายในหลวงเจ้าคุณอริยะคุณาทานบอกว่าในภายหน้าเธอจะได้ไปสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังเราก็นึกขำในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเรามาเดินป่าเดินดงอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงทราบเราได้อย่างไร ทีนี้เราได้ความรู้สึกที่มันจะเป็นแนวแห่งความจริงขึ้นมาเมื่อวันที่ยี่สิบเดือนเมษาพอสอเท่าไร่จำไม่ได้ที่วัดวิเวกธรรมอำเภอชนบทเขาจะผูกพัทธสีมาในหลวงมีรับสั่งมาว่าอยากจะคุยกับพระทุดงกรรมฐานเขาไปนิมนต์ที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าพอเสร็จแล้วเขาก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ไป ต่อมาพอท่านทําพิธีตัดลูกนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มารับสั่งคุยด้วยคล้ายๆกับว่าท่านจะผูกปัญหาขึ้นมาท่านตรัสว่านั่งมาในเครื่องบินจิตมันผุดคิดขึ้นมาว่าเขารฤหัีที่สําเร็จพระอรหันต์แล้วทําไมจึงด่วนนิพพานเสียภายในเจ็ดวันจะอยู่เกินกว่านั้นไปไม่ได้หรือพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระคุณเจ้าเห็นว่าอย่างไร พอถูกถามเราก็ว่าขอถวายพระพรอัตมภาพขอพระราชทานโอกาสถามปัญหาพระมหาบพิตรในหลวงตรัสว่าท่านจะถามอะไรก็ถามมาตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะโยนคืนให้ท่านเป็นผู้ตอบก็เลยถามท่านว่าแร่ธาตุต่างๆในจักรวาลนี้เมื่อมันมาใกล้ชิดกันหรือมาบรรจบกันเข้า กดระเบิดหรือสลายตัวมีไหมมหาบุพิตรท่านตรัสตอบว่ามีอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติของแร่ธาติใช่ไหมท่านก็ตรัสตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นกฎธรรมชาติของความเป็นพระอรหันเนี่ยคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นพระอรหันถ้าไปเกิดในสันดานของคฤหัสย่อมมีประสิทธิภาพที่จะทําลายร่างของคราหัตให้แตกสลายตัวได้ อันนี้คือกฎความจริงใช่ไหมมหาบวพิตรในหลวงตรัสตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นเมื่อครหัตสำเร็จพระอรหันต์ถ้าไม่บวชเป็นพระหรือไม่ถือเพศนักบวชร่างของคราหัสจะต้องสลายตัวภายในเจ็ดวันอันนี้เป็นกฎธรรมชาติอัตมภาพถวายพระพรอย่างนี้พอได้ความไหม ท่านตรัสว่าได้ความแจ่มชัดดีทำไมพระมหาบาพิษจึงรับสั่งถามอัตมาภาพอย่างนี้ในหลวงตรัสว่ากระผมไปที่ภาคเหนือไปถามครูบาอาจารย์ทางเหนือท่านตอบว่าพระอรหันต์เบื่อหน่ายในเบญจขันธ์ท่านจึงด่วนนิพพานเสียจึงทำให้มีความสงสัยคล้องใจว่าพระอรหันต์เนี่ยเบื่อด้วยหรอ